สรุใส่ในหน้าจอนะครับแต่จะบอกว่าเริ่มด้วยเมื่อวานนี้ขอภาพแรกหน่อยครับเออก็เรื่องที่สองคือเรื่องอะไรครับเรื่องที่1คือเราเราอยากเห็นว่า10ปีข้างหน้าชาวสกอยากเป็นอะไรต้องบอกทิศทางร่วมกันให้ชัดถ้าคะแนนออกมาสามนี่สำคัญไหมครับเมื่อวานเรามีคนประมาณเท่าไหร่10บกลุ่มกลุ่มละสิประมาณเกือบร้อยคน แสดงว่าชาวโศกเห็นตรงกันเรื่องเดียวคือเรื่องอะไรครับที่อยู่บนนั้นเกือบร้อยก็เรียกเกือบทุกคนแหะครับใช่ไหมครับก็เรียกเป็นฉันทานุ ม, มัติได้ไหมครับเพราะฉันทานุ ม, มัตินี่บวกกับคำว่าศีลเนี่ยก็คือชาวโศกกาลังจะต้องตกลงปลงใจด้วยกันทุกคนใช่ไหมครับอย่างน้อยก็ในที่ประชุมครั้งนี้นะครับว่าจะแล้วไบอกชาวโศกที่ยังไม่มาว่าจะมุ่งมั่นไปในเรื่องสิ่งนี้ใช่ไหมครับสิ่งนี้คืออะไรผม จะให้พวกเรามาตอบกันเองกับภาพแรกครับเดี๋ยวขอเพราะเรามีสมาชิกใหม่กันแล้วก็ขอทูนของเก่าว่าภาพแรกขึ้นแล้วใช่ไหมครับออขอสักสามท่านครับอยู่ที่หน้าจอเป็นการทบทวนได้ใครจะพูดเนื้อหาก็จะพูดอะไรก็แล้วแต่แต่ขอให้อยู่ในเรื่องเมื่อวานนะครับครับเชิญครับใครจะเป็นการตั้งนะโมก่อนว่าเราจะเราจะต่อต่อเนื่องจากเมื่อวาน อไม่ควรซ้ํากับเมื่อวานเลยใครที่ออกมาพูดเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้ออกมาอีกจะได้รับรางวัลกาคําว่าเฉยเราต้องแบ่งปันอครับเพราะฉะนั้นขอรุ่นใหม่รุ่นเก่าไม่เป็นไรครับถ้าคนเก่าเนี่ยก็ผมจะบอกว่าเฉยพูดเยอะก็เฉยขอสั้นกระชับเพราะเราจะทวนความจํากันครับว่าเมื่อวานเราได้ค้นพบอะไรในการเมื่อวานเราเริ่มในการค้นหาเขาหรือเรา เขาต่างกับเราอย่างไงครับเรานี่ใครครับเ ร, เราคืออโศกคือตัวตนของเราเดี๋ยวเราค้นพบวันนี้เราจะต้องค้นพบตัวเราหลังจากทําวิสัยทัศน์แต่เราค้นพบตัวเขาก่อนเพื่อหาโอกาสเพื่อจะเป็นวิสัยทัศน์ที่ไปข้างหน้าเดี๋ยวจะบอกว่าวิสัยทัศน์จะทำอย่างไรนะครับเอาครับเชิญครับไม่กี่ใครผู้กล้าที่ไม่ซ้ําหน้าคนเมื่อวานใครยังไม่ออกเอาไม้ครับวันนี้เราเท่ากันครับเมื่อวานเราใช้บัตรคําทุกคนวันนี้ไม่ว่าใครจะ วุฒิอะไรอาชีพอะไรไว้เท่าไรเท่ากันครับ <laughs> <laughs> เชิญเลยครับเชิญเลยเอาไม้ไปเลยครับ <laughs> อไม่ผิดแล้วครับเพราะพูดจากเมื่อวานว่าได้อะไรครับ <laughs> เอาตบมือหน่อยครับเอผู้ดแบบทำเอาตบมือก็ได้อแบบชาวโลกครับเพราะผมจะตบมือประจําเชิญเลยครับถามว่าเมื่อวานได้ได้อะไรจากการเรียนรู้เมื่อวานนะคะ ก็เร <S an> ียนรู้เรื่องเรื่องเขาว่าสิ่งแวดล้อมด้านนอกเนี่ยในในอนาคตเนี่ยเขาจะทำให้เราได้โอกาสในเรื่องของอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องของสุขภาพเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจ่เรื่องของอะไรมันเยอะไปหมดอ่ะ เรื่องของการเมืองค่ะเรื่องของอห้าเรื่องหเรื่องของบุญนิยมอะค่ะว่ามันเป็นโอกาสที่ที่เราสามารถที่จะคือเขาสร้างสร้างโอกาสให้เราทำงานอ่าเพรา ะ, ะเรารู้ว่าเป็นโอกาสเพราะมันเกี่ยวกับเราใช่เกี่ยวกับชาว โ, โอเค<ฆ>มีอะไรครับโอกาสแล้วอะไรเรียนรู้โอกาสโอกาส<ย>กแล้วก็โอกาสมีหลายเรื่องอ่ะภพยไคือไงครับ ภัยก็คือในส่วนของความเดือดร้อนของของภายนอกจะจะทำให้ใ ห, ให้ให้เราเกิดภัยให้เราเกิดภัยในในด้านไหนบ้างคือเราเราจะจะถูกเบียดเบียนนะคะเขาจะสร้างภัยสร้างภัยให้กับเราถือถ้าเราไม่เรามัดระวังเนี่ยเราก็จะสูญเสียชีวิตทรัพย์สิน อะไรก็ตามัมนภัยในยสําคัญไหมภัยสำคัญค่ะคําว่าชีวิตมันเกี่ยวกับความตายมันไม่ใช่ปัญหาหรือภัยปกติภัยเด็กๆมันภัยที่เรากำลังค้นหานี่คือภัยที่จะไม่ผลต่อชีวิตเราอย่างที่เราเป็นมะเร็งหรือเป็นโรลคลําไส้มันการค้นหาภัยชนิดนี้ต้องหาอย่างยิ่งยวดจึงจะเป็นยุทธ ศ, ศาสตร์ขึ้นภัยที่วิกฤต ห, หนักๆนะครับในอนาคตโอเคตรงครับใครได้ อ, อีกสักท่านหนึ่งครับสท่านท่านที่สองครับออาส่งหมายไปเลยครับเอาตบมือให้เพื่อนหน่อยครับ เดี๋ยวคนที่สามต้องเป็นผู้ชายแล้ว <c oughs> <c oughs> เพื่อ okay. ขอขอขอเจริญธรรมท่านอาจารย์ดรนะคะและก็เจริญธรรมพี่น้องทุกคนคะ่ะเมื่อวานก็เลยมาตอนท้า ย, ายนะคะเพราะเมื่อวานเป็นวันตัดผมก็ตัดผมจนถึงสามงเย็น <c oughs> ค่ะก็ได้ฟังก็ได้ก็จะต่อจากอาพูดเมื่อกี้นะคะเจ๊พูดว่าภัยจากข้างนอกนะคะเป็นภัยที่ใหญ่หลวงถ้าพวกเราไม่ไม่ระมัดระวังนะคะการที่พ่อออก พาพวกเราออกไปนะคะพาออพวกเราออกไปสู่สังคมข้างนอกนะคะเพราะพระท่านมองเห็นภัยอันใหญ่หลวงที่จะเกิดกับพวกเราและประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสให้พวกเราได้ทำดีค่ะเป็นโอกาสให้เราได้ไ ด, ได้สร้างสิ่งที่ดีแล้วก็ไปทำเพื่อประเทศชาตินะคะแล้วภัยอีกอันนึงที่ใหญ่หลวงคุกคามพวกเราก็คือ คนข้างนอกเขาจะไม่เรียนรู้นะคะเรื่องการอยู่และการกินนะคะส่วนอาโจ ข, ของเรานั้นนะคะจะเรียนรู้สามหลักคือกินอยู่หลับนอนเนี่ยแหละคะ่ะอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยนะคะส่วนข้างนอกนั้นนะคะเขาจะอยู่แบบอยู่แบบเอ่อวิ่งวิ่งบบตามเงินนะคะ่บบงพอได้จะเห็นว่าก็ใชนะเขาจะวิ่งตามเงินไปเรื่อยๆนะคะตรงไหนที่มีเงินให้ยางเช่น ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะกรณีที่เราออกไปช่วยชาติถ้าเงินถ้าเงินได้มาเขาไม่ไปค่ะส่วนพวกเรานั้นไม่ต้องมีเงินพวกเราก็ไปทำเพื่อชาติให้สรุปไม่ให้ขยายนะครับ ข, ขยายว่าถ้าให้สรุปให้สรุปครับสรุปว่าถ้าเขาเถ้าเราไม่ถ้าเขาไม่ไมตั้งโอกาสให้เราเราก็จะไม่ได้มาทำสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะคะสิ่งมันล้องสำคัญที่สุดเช่นเขาขีดยาขายา กินแล้วคนก็ป่วยคนก็ตาย okay, ก็ลาบากงอขยายความะนะครับใครคุนที่สามครับคนที่สามเอ<ะ>่ยพี่ชายเดี๋ยวผมจะถามนําอาถามว่าภัยคุกคามกับโอกาสเป็นคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันแต่คนละด้านของหัวหัวก้อยหรือหัวหัวหรือก้อยอมันเป็นมันเป็นเหมือนเหรียญสองด้านครับมันมีทั้งทั้งเป็นโอกาสของเราด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเราด้วย ครับครับแล้วสองนิ่งไหมครับสไม่นิ่งครับเป็นเรื่องอน า, าคตไหมครับเป็นเรื่องอนาคตแน่นอนไหมครับแน่นอนหรือไม่แน่นอนเอ <fare güzel, S 2> ่อที่พูดกันมาเรื่องภัยโอกาสเนี่ยมีโอกาสเพราะเป็นเรื่องอนาคตจะแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่แน่นอนไม่แน่นอนนี่แหละครับคือคําว่าที่เราต้องกระชิญเพราะยุทธศาสตร์ไม่ใช่เรื่องแผนปกติที่เห็นอะไรแน่นอนหมดงั้นเรากำลังคาดคะเนสิ่งที่จะไม่แน่นอนใช่ไหมครับครับแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องอนาคตไหมเป็นเรื่องอนาคตทั้ง2เป็นเรื่องอนาคตหรือเรื่องปัจจุบันหรือเรื่องอดีต เรื่องอนาคตคาดว่าจะเป็นเรื่องอนาคตจะเกิดขึ้นใช่ไหมครั บ, รบมันเราจะต้องใช้ความพยายามหาข้อมูลแต่นี้ข้อมูลมีสองอย่างที่ผมบอกเมื่อวานข้อมูลอย่างหนึ่งคือการระดมกันเองใช่ไหมครับอย่างที่สองอะไรครับคุณลุงเออวันนี้เราได้ข้อมูลท่านี้พอไหมเนี่ยเหมืนอนเราได้ข้อมูลมาในแต่ละคนมาแล้วก็มามารวมให้เป็นข้อมูลข้อมูลที่เด่นๆออกมามาเป็นประเด็นนะครับอย่างอย่างเราจับเมื่อวานนี่อยู่กัน ยันอยู่สาประเด็นแต่เราเลือกมาที่ที่เป็นหลักจริงๆที่เราจะต้องถือเป็นหลักก็คือเรื่องร ข, ของคุณธรรม ค, รคือคณะพวกเราจะต้องมาชาวโศกเราีจะต้องมามาพัฒนาตัวเองคุณธรรมให้ให้สูงให้ดีให้พัฒนาให้สูงเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันภัยที่จะตามมาในอนาคตเพราะฉะนั้นเมื่อวานเราได้ข้อมูลด้วยการแบ่งปันกันแล้วก็หลอมรวมกันแต่มีการได้ข้อมูลอีกชนิดหนึงคือไม่ได้จากพวกเราซึ่งเป็นจากประสบการณ์และความรู้เฉพาะตัวติดตัวเรา เราจะหาข you know? you know <S <S ้อม right. ูลที่อื่นได้ไหมครับได้ไหมครับได้แล้วจําเป็นไหมเพราะชาวโศกอาจจะไม่รู้บางเรื่องอีกหลายเรื่องใช่ไหมครับครับเช่นรู้ไหมครับว่ารัสเซียกับจีนเขาทาอะไรกันใครใครรู้บ้างเออไม่ทราบไม่ทราบเรารู้เฉพาะคสชครับแต่พอออกนอกประเทศไปเขามีคอสชีกหนึ่งกาลังสู้กันคืออเมริการัสเซียกับจีนเขาประกาศไม่ใช้เงินดอลลาร์เห็นไหมครับซึ่งจะกระทบเราไหม กระทบถ้าเราอยากได้ไฮสปีดเทรนด์โดยเอาเงินดอลลาร์จากจีนมากระทบไหมนอกจากเป็นหนี้แล้วแหละรครับเป็นแบงค์ที่เป็นกระดาษเห็นไหมครับเพราะว่าไม่มีใครใช้ทั้งจีนทั้งรัสเซียก็รีบทิ้งดอลลาร์ให้คนไทยซึ่งอยากได้อะไรครับไฮสปีดเทรนเหมือนลูกเราที่อยากได้มือถือไหมเหมือนเปนะเลยพี่้องผู้ใหญ่กับเด็กมีความอยากเหมือนกันไหมแล้วใช้มือถือได้เยอะไหมเด็กๆลูกเราแล้วเราใช้มือถือครบประสิทธิภาพไหม แล้วไฮสปีดแทนคิดว่าจะครบมันจะคุ้มไหมไม่คุ้มแล้วนี่เยอะไหมเยอะเหมือนมือถือเราสองหมื่นเราใช้แค่ไลน์กันไปแค่นั้นเองใช่ไหมครับอันนี้ก็คือว่าเราไม่เท่าทันประเด็นก็คือข้อมูลเนี่ยที่เข้ามาถึงเราเนี่ยที่กําลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยมันเข้ามาล่อเราสองหมื่นเราไม่คิดสักนิดหนึ่งซื้อสองหมื่นอีโคคาคันเท่าไหร่ครับแล้วไฮสปีดแทนกี่ล้านล้านแต่ว่าเราอยากได้เหมือนมือถือเพราะฉะนั้นความเท่าทันอันเนี้ยมันจึงไม่ ใช่เรื่องข้อมูลนะครับเรื่องต้องมาหาคือประเด็นที่สองครับคือที่เราเห็นว่าเราจะไม่จะมาสมหัวกันแลกเปลี่ยนกันให้เท่าทันก็คือสติด้านในเปลี่ยนเป็นผัสสะได้ไหมครับปัจจัยภายนอกทั้งหมดเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผัสสะได้ไหมเปลี่ยนเป็นหญิงสาวเปลี่ยนเป็นชายหนุ่มเปลี่ยนเป็นมือถือเปลนเป็นไฮสปีดเทรนด์ใช้ผัสสะไหมที่กระแทกกิเลสเราใช่ไหมเห็นไหมครับแต่เปลี่ยนจากตัวเราเป็นทั้งชาวโศมเท่านั้นเอง ถ้าชาวโศกคนเดียวรอดแต่ที่เหลือไม่รอดจะเป็นชาวโศกไหมครับเพราะนั้นการฝึกพัฒนาศาก็ต้องต้องฝึกตัวตนคนเดียวและฝึกพัฒนากลุ่มในการเท่าทันฐานการนอกใช่ไหมครับปัจจัยภายนอกคราวนี้เดี๋ยวเราเราจะไปถึงภายในแต่ก่อนไปวันนี้เราจะร่วมวิสัยทันให้จบก่อนนะครับเราหาประเด็นยุทธศาสตร์ใครตอบได้สักคนน่ยขอผมจะเรียบเรียงให้แต่อยู่ในอยู่ในใครจะอธิบายตรงเนี้ยที่ได้เก้าเนี่ยขอ อาสาสมัครหนึ่งท่านว่าเมื่อวานเราพบประเด็นที่สําคัญสุดยอดเลยมันเป็นโอกาสที่สูงสุดเพราะคะแนนมาสูงสุดแล้วเป็นโอกาสด้วยเพราะว่าชาวโสมมองเรื่องโอกาสมากกว่าเรื่องลบเรื่องไผยคุกคามช่วยอธิบายหน่อยครับจเจิญครับประเด็นคุณธรรมที่ได้สูงสุดแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสของอโศกนะครับในความคิดของผมนั่นก็คือว่า อโศกเราเนี่ยได้ถูกหล่อหลอมโดยการวิพุตรปฏิวปธรรมกับพระท่านมายาวนานนะครับแล้วตอนนี้ในสิ่งที่เป็นเรื่องขององค์ประกอบของอโศกทั้งหมดนี่นะฮะที่มีต้นรากแห่งคุณธรรมนฮะมันได้แสดงผลต่อสังคมไปอย่างกว้างขวางนะครับแล้วมันก็เป็นสัจจะที่ทุกคนต้องยอมจำนวนว่าถ้าหากว่าเราไป อีกด้านหนึ่งซึ่งจะมีภัยอะไรต่างเกิดขึ้นกระชาวอโศก็ดีหรือว่าจากสังคมก็ดีเนี่ยถ้าหากว่าคุณธรรมที่แข็งแกร่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะสามารถที่จะต้านทานพลังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นภัยทางการเมืองก็ดีโรคระบาดก็ดีเพราะในองค์รวมของคุณธรรมที่เป็นพื้นฐานหลักได้ก่อให้เกิดการศึกษาเรียนรู้ในทุกๆด้านนะที่เป็นวิถีชีวิต ของมนุษย์ที่จะต้องอาศัยครับ <Yeah. S 1> จ บ, บครับ <laughs> <c oughs> ตบมาให้เพื่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายภาษาผมแต่เมื่อวานเราได้อีกอันนึงคือเมื่อกีที่ออกมาพูดกันก็คือเราสุขที่เราเรียกสวอสวาดผมพยายามจะไม่ใช่ก็เรียกว่าโอกาสนะครับโอกาสที่หนึ่งก็คืออะไรครับก็คือที่คุณลุงอธิบายไปแล้วผมย่อๆก็คือว่าการรวมพลังของชาวาสุกเพื่อ ใช้เป็นโอกาสในการสร้างคุณธรรมให้กับสังคมใช่ไหมครับตามบัตรคํานะครับก็ผมอธิบายอี ก, อกแบบหนึ่งจากคุณลุงนะครับด้วยการใช้การศึกษาบุญนิยมใช่ไหมครับซึ่งชาวโศกกําลังก่อตัวต่อจากบอเออบอกก่อนวอนบบอใช่ไหมครับเป็นวอน บ, บอก็ใช้การปฏิบัติแล้วก็ใช้การศึกษายกตัวขึ้นมานะครับ น, นั่นเป็นผมใช้ว่าอ1ก็คือโอกาสที่หนึ่ง โอกาสที่2ที่พวกเราระดมกันมาจากทุกกลุ่มก็คือ5กลุ่มนะครับคือเรื่องสุขภาพเพราะเห็นว่าสุขภาพนี่เป็นโอกาสเพราะว่าผมมีตัวอย่างป่วยแล้วนะครับเพรนั้นโอกาสก็คือว่าอโศกเนี่ยเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะเข้าไปเกื้อกูลโลกได้เพราะาเรื่องสุขภาพประชาชนซึ่งจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับเนั้นด้วยการใช้ไกาเกษตร ก, รรกรสิกรรมแล้วก็การใช้องค์ความรู้เรื่องประชาบมไปทานแมโครเบโอติกมานะครับแบบวิธีพอเพียงอันนี้ใช่ไหมครับเรื่องโอกาสที่2 ซึ่งเป็นสิ่งที่อศกทําอยู่โอกาสที่สามที่ไม่วงเพราะว่าคะแนนออกมาน้อยนะครับที่คะแนนออกมามากคืออ1และอ2นะครับคือสุขภาพ อ, อที่สเนี่ยคะแนนก็ไม่น้อยแต่เป็นระดับเป็นโอกาสที่3แล้วกันก็คือว่าเมื่อเราเอาโอกาสที่สําคัญหรือเหลือแค่3จาก10จาก3าม5ามโอกาสเนี่ยเราเรามาเลือกกันเหลือ3เองนะครับก็โอกาสที่3คือเปลี่ยนขยะ กายขยะใจให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ได้ขยะกายก็คงน่าจะได้เป็นสตังเป็นปุ๋ยขยะใจก็คงใช้บุญนิยมชำระล้างกิเลสนะครับขยะกายก็ใช้ 4R ซึ่งองค์ความรู้นี้อโศกมีอยู่ใช่ไหมครับ r e ไซเคิ Reuse และรีอะไรนะครับ Repair แล้วก็ r e ไซ c คิลใช่ไหมครับก็ 4R รีสามนี่นะครับแต่นี้ด้านขวาด้านขวาเออพอดีจอใหญ่ไม่ขึ้น ด้านขวาก็คืออยู่ในกระดาษนั้นผมขยายความให้หนึ่งก็อยู่ที่บัตคำนะครับคะแนนทีส่สูงสุดในกายเป็นพอสามนะครับคือทุกคนเห็นว่าภัยคุกคามที่น่ากลัวสำหรับสังคมใหญ่และก็ชาวโศกก็คือทุนนิยมโลกที่กำลังสามมาลงไปคือล้วนจะเล่งเอากำไรช่อชนอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วก็กำลังจะเข้ามาคุกคามเพราะาปีหน้าก็จะเป็น จุดเริ่มต้นของการเปิดประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามนะครับเหมือนพอ3จึงได้เป็นอันดับ3ของคะแนนรวมทั้งหมดพอ1พอสองภัยคุกคามอันที่1คือเรื่องสุขภาพเห็นไหมครับว่าเป็นทั้งโอกาสและก็เป็นภัยคุกคามในเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นสุขภาพนี่ก็เป็นภัยคุกคามที่ทั้งต่อสังคมโรกและต่อชุมชนชาวอาเซเพราะเรื่องขยะ ก, กับเรื่องโรคระบาดนี่มันเต็มเต็มสังคมเลยนะครับแล้วก็เคมีนี่ก็ถาโถมมาเรื่อยๆภัยที่2ก็คือเรื่องการเมือง ในเงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ระบบทุนที่สามาที่เราเจอกันมาที่ไปม็อบกันมานี่นะครับก้อนที่3อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราจะใช้ตอนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราต้องทำเอาอ1นึ่อสองพอหพอ .2 พ .3 มาทําอะไรเดี๋ยวคืนนี้ผมจะบอกนะครับอันนี้อันนี้ถ้าจดไว้ก็จดไว้แต่จะใช้ครั้งหนึ่งเป็นไว้ในบอร์ดนะครับอันนี้เป็นปัจจัยภายนอกใช่ไหมครับแล้วเราลงคะแนนรวมกันเพื่อหาประเด็นสำคัญสุด จริงได้แผ่นต่อไปครับเรื่องยุทธศาสตร์ซึ่งคุณลุงอธิบายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเราจะทำเรื่องวิสัยทัศน์ครับประเด็นยุทธศาสตร์แผ่นเมื่อกี้เนี่ยวันนี้วันนี้แล้วเป็นยุทธศาสตร์ต่อไปครับอ่าก็อันนี้อันนี้สรุปจากเมื่อวานนะครับผมช่วยสรุปเป็นประเด็นว่าคือประเด็นที่ชาวโศกเห็นว่าน่าจะเป็นการรวมพลังกันเพื่อผมใช้คาที่ ผมเคยใช้แล้วพวกเราก็ใช้กันด้วยคือสถาปนาตัวความรู้ของชาวโศกและตัวชุมชนโศกเองให้ใช้การศึกษาบูรนิยมบงเล็บวอนบแล้ววนบ อ, นบอเท่านั้นหรือไม่อาจจะรวมทุกระดับด้วยนะครับให้เกื้อกูลสังคมโลกด้วยคําพูดของเราคือคนให้มีคุณธรรมมากขึ้นแล้วก็ด้วยพุทธธรรมของเรานะครับแต่นี้ในข้างหน้าเนี่ยทุกคนก็บอกว่าน่าจะสักสิปีนะครับแต่ที่ผมเขียน4ี่เพราะว่า4ปีเราน้าจะได้ตั้งเป้าให้ตัวเองด้วย เพราะว่าการประเด็นยุทธศาสตร์ถ้าพวกเรามารวมตัวกันเพราะด้วยโอกาสที่จะฝึกฝนตัวเองออกไปออกรบอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเหมือนเปรียบเหมือนท่านนายสุนกู้ชาติเหมือนกันเพราะว่าถ้าทหารไม่เข้มข้นไม่ฝึกดาบคือปัญญาเนี่ยอีก6ปีก็คงจะกู้ประเทศไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้เดี๋ยวเราจะนี้ไปเราจะแบ่งกลุ่มเพื่อคุยกันเรื่องว่าถ้าเราเป็นประเด็นสําคัญเนี่ยเราจะเปลี่ยนภาพให้เป็นทิศทาง กับใหเ้เราจะเป็นอะไรครับอีก10ปีขา้างหน้าและ4ปีเราจะเป็นอะไรกันชาววนบอที่เรียกตัวเองวาวราบอเนี่อยากให้เห็นตัวเองเป็นอะไรหลังปีที่4คงไม่ใช่คือเพื่อใบปิญญานะครับแต่4ปีเนี่ยชาวโสกอยากจะเห็นอะไรแล้วก็10ปีอยากจะเป็นอะไรจะช่วยสังคมอะไรแล้วตัวเองจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะั้นเมื่อวานที่ประชุมบอกว่าเดี๋ยววันนี้เรามาหากลับไปสามเหลี่ยมวิสัยทัศน์นะครับ <c oughs> คิดที่ฉายมาแล้วพอดีเลี้ยงแล้ก่อนภาพเมื่อกี้เนี้ยก็คือประเด็นยุทธศาสตร์กับข้อมูลเมื่อกี้เนี้ยตอนนี้แรงขับเคลื่อนของเรามันต้องมาจากทุกๆคนที่ฝันร่วมกันเพราะฉะนั้นเวลาคิดวิสัยทัศน์เนี้ยเขาจะใส่จินตนาการเข้าไปชาวโศกนี่มีจินตนาการนอกกรอบในกระแสละหลักเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเั้นข้อมูลเรามีแล้วยังอย่างน้อยมีมาแล้วใช่ไหมครับ ข้อมูลปัจจัยภายนอกเดี๋ยวบ่ายนี้เราหาข้อมูลภายในว่าตัวเราเป็นอย่างไรเราก็ได้ข้อมูลเยอะใช่ไหมครับงั้นข้อมูลเรามีทั้งเขาและเราไหมตอนนี้เราได้เขาหรือยังได้มาหนึ่งลนะขาดอีกตัวเราเดี๋ยวเราทำกันที่หลังแต่ว่าเออผมยืงนง้นต้องทำเราก่อนค่อยทำวิสัยทัศน์ประเด็นยุทธศาสเราได้ยังประเด็นที่สาคัญสุดยอดเราเจอมาแรงเราต้องสู้มาเรงเจอหรือยัง เจอแล้วคือประเด็นเรื่องเราจะใช้การศึกษาบุญนิยมไปสู้โลกไปสร้างโลกใช่ไหมครับคือประเด็นที่เห็นร่วมกัน93เรื อ, อที่สที่จะต้องใส่เข้าไปเพราะวิสัยทัศน์เนี่ยถ้าจะให้ดีจะต้องอาศัยจินตนาการแต่จินตนาการที่ไม่ฝันเฟื่องก็ต้องบนข้อมูลใช่ไหมครับแล้วก็โดยประเด็นที่สําคัญเพราะถ้าไม่สําคัญจะเรียกว่าเป็นวิสัยทัศน์ได้ไหมครับก็เป็นแผนกิจกรรมธรรมดาแผนนี้ต้องคิดถึง10ปีหรือ50ปีหรือจะกู้ชาติอย่างไร ใช่ไหมครับจะกู้นักการเมืองอย่างไรเพราะประเด็นต้องสําคัญไหมแล้วจะต้องใช้จินตนาการมหมยากไหมก็คือต้องคิดนอกกรอบต้องใฝฝันอย่างแรงกล้าแม้แต่จะบรรลุขจัดกิเลสตัวเองได้เพราะนั้นไอ้ประเด็นที่3นี่ต้องใช้พลังของแต่ละท่านไหมครับใช่เราะนั้นจงใช้ออกมาแล้วก็ใช้การรวมพลังกันมันก็จะเกิดพลังหมู่ที่พวกเราใช้คำว่ารวมพลังเนี่ยเฉะนั้นวิสัยทัศน์เนี่ยมันเกิดจากพลังใจของทุกคนเั้นที่จะฝันให้ตรงกันเหมือน ถ้าใครมีครอบครัวมาก่อนก็ฝันกันระหว่างพ่อแม่ลูกแต่วันนี้เราฝันทั้งชาวโศกทั้ง7 8็ดแเาโศกเพราะฉนั้นความฝันนี้ต้องใหญ่ไหมครับครับอย่าฝันแค่ชุมชนตัวเองนะครับาั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะทําต่อเรื่องเขาได้แล้วเพราะฉะั้นต่อไปเรื่องอะไรครับเราทําแบบเมื่อวานได้ไหมครับแบ่งกลุ่มแล้วก็เ อ, อเอาเอาเรามามารายงานเพื่อให้ได้3ามประเด็น ทำเมื่อวานเป๊ะเลยได้เขาเลยเราเพราะฉะน้นก็ขอเปลี่ยนวิสัยทัศน์ไปที่หลังเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่เห็นตัวเราก่อนใช่ไหมครับวันเดี๋ยวฝันเฟื่องไปเลยฝันไปไกลกว่าความสามารถของเรานะครับเพราะฉะนจะแบ่งกลุ่มเก่าเมื่อวานจําหน้ากันได้ไหมครับสมาชิกได้นะก็ยึดที่เดิมที่เดิมคนหน้าเดิมเหลือเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับขอให้รักษากลุ่มเดิมไว้นะครับเปลี่ยนใหม่ดีกว่าแล้วครับ เป็นไหมก็จะใช้วิธีไหนนับนับสิเหมือนเดิมไหมเอาย่างั้นเอาข้างหลังมาข้างหน้าโอ้ม่ไม่เห็นไม่เห็นว่าใครขาดแล้วอางั้นเอาหนึ่งสองเลยครับ4อาสวัสดีครับอ๋อขอบคุณครับครับเดือดตกเครื่องมาแวะมาเย็นนิดเดียวน่าสคุณลุงรับ10บ10ิบแล้วหนึ่งไหม่เลยครับหนึ่งสองสองครับคุณลุงสอง หนึ่งฟ้าสามหกครับพี่ครับเจ็ดเก้า ก็ได้ครับขนันขานเพื่อให้รู้ว่าจะจะอยู่กลุ่มไหนอะไอ่านองนี้ครับโอ้ความจริงไม่ถึงนับสิเป็นไรเหลือได้เออโทษ โ, ทโทมันมันไม่ถึงร้อยนะครับต้องสักเจ็ดกลุ่มได้ไหมฮะโทษโทษนะครับเระเด็นมันจะเกินเะกลุ่มฮะผมลืมไปโทษนับใหม่ฮะโทษครับขอโทษครับตอนนี้มันเหลือเจ็ดน่าจะได้เนาะเงั้นกลุ่มเราประมาณประมาณเจ็ดเจ็ดกลุ่มนะฮะเจ็ดกลุ่มเอา เลหนึ่งสองเจแล้วหนึ่งหนึ่งครับสองสาสามครับสนับหนึ่งครับหนึ 1, 1, ่งหนึ่งคุณลุงรับเลยครับหนึ 1, ่งไฮะครับสหเจดหนึ่งครับ ด้วยนะครับเดี๋ยวเอาบนโต๊ะให้หมดเลยครับพวกนั่งเก้าอี้ครับพี่เชวัตรจะเดินดูก็ได้นะครับเออาเอาลูกลูกตัวตัวคนทีนี้ ที่มีคนอ่าโออีกทีนี่ครับโอเคอ๋โอโอเคครับพอหยุดต้องกระโทษเช้านี่การแบ่งกลุ่มตัวตนเนี่ยเดี๋ยวฉายภาพนี้เห็นครับร่างกายเราเนี่ยอะไรสำคัญเมื่อช้าไปได้ครับจาก ร่างกายเรามีอะไรอายะที่สําคัญมีอะไรครับในภาพนั้นสมองสมองทำหน้าที่คิดใช่ไหมครับเอ่อเพื่อนจะจะไม่ใช่แบกกลุ่มแบบนับลืมไปครับว่าใครที่เคยทํางานได้การศึกษาจะอยู่กลุ่มการศึกษาได้ไหมครับถ้าร่างกายเราสมองสําคัญไหมกลุ่มที่1อันที่สองอายะสําคัญอะไรครับที่อยู่ในรูปหัวใจก็คือเปรียบเหมือนตัวบริการของอโศกที่บริการทุกเรื่องพวกการศึกษาคือผู้ทั้งจัดอาชีวะและวราบบ ใครที่อยู่เกี่ยวกับเรื่องการศาึกษาก็ไปอยู่รวมกันเดี๋ยวจํานวนมากไม่เท่ากันไม่เป็นไรไม่ต้องหรือไปว่าไม่ต้องนับอันที่สองคือกลุ่มบริการใช่ไหมครับใครที่ดูแลบริการของในแต่ละอศกหรือของทุราษธานีก็ไปเข้ากลุ่มทั้งไม่ว่าจะเป็นยวดยานพานะไม่ว่าจะเป็นไม่รู้เรื่อง ก, การเงินการบัญชีเรียกว่าบริการคนอื่นอะ่ะกลุ่มที่สองคือหัวใจใช่ไหมครับหัวใจคือหน้าที่ส่งเลือดนะก็คือบริการคนอื่นอันที่สามอะไรครับผมปอด ไม่ใช่ครับกระเาาพาะกระเพาะย่อยอาหารไมื่อเช้าอิ่มทุกคนแมคโครไบติกก็คือคนที่สร้างารายได้ให้กระโสกยืนจยัดพาณิชย์ครับพาณิชย์นี่มีอะไรบ้างครั บ, ส, ร บ, รบสหกรณ์ปุปย๋ยรู้นะรู้นะใครจะเข้ากลุ่มไหนรู้นะ พ, พอบอกพาณิชย์กลุ่มที่สามนี่ก็คือมันรวมปุ๋ยรวมสหกรณ์รวมสมุนไพร นะครับก็ไปเข้ากลุ่มถ้าเกินก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีประสบการณ์ร่วมกันนะครับจะเกิน10น้อยกว่าสิบสตอนนี้วิกิสเรานับ3ไปแล้วใช่ไหมครับเออไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่นับโทษนะเรารู้ว่าใครเป็นฐานงานอะไรของประสบการณ์นะครับอันที่ซเอาอันที่5ก่อนดีกว่าใครที่ทําเรื่องลําไส้คือตูวลาเลียงอาหารใช่ไหมไปส่งใช่สื่อไหมใช่ไห ม, ไหมอาศกเก่งเรื่องสื่อไหม อ้าวเก่งก็ต้องหลตัวบอกว่าเก่งแค่ไงนเดี๋ยวผมจะถามเพราถ้าว่าเก่งแล้วมีจุดอ่อนไหมเพราะเดี๋ยวเราจะค้นหาตามฐานงาน5อายุวะอายุวะของโสมก่ะสื่อนี่เป็นกลุ่มที่ผมใส่เป็นกลุ่มที่5ก็คือใครที่ทําสื่อสื่อมีอะไรบ้างสื่อ F อแล้วสื่ออะไรอีกวิทยุแล้วอะไรอีกหนังสือสื่อสิ่งเป็นไม่รู้ว่าพวกสื่อพวกที่ใช้ปากใช้มือเนี่ยไปที่นั่นเลย นะประชาสัมพันธ์มันแตอนนี้บางคนบอกฉันทําไม่รู้กี่เรื่องเอายังไงให้เลือกเองว่าฉันเก่งอะไรให้ให้โอกาสว่าฉันเก่งอะไรไปเข้ากลุ่มนั้นนะแต่ความจริงเราต้องหาให้หาจุดอ่อนมากกว่าความเก่งนั้นแต่ก็อยากรู้ความเก่งอะไรกันเอาว่าสมัครใจถ้าใครทําฉันเก่งตรองหลายเรื่องฉันทําหลายเรื่องฉันจะเข้ากลุ่มไหนดีเลือกเขาเองเดี๋ยวตกลงว่าหนึ่งสสสี่ห้าจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับดีขอขอหัวหน้า หัวหน้ากลุ่มกลุ่มที่4ี่คือกลุ่มที่เป็นชาวชุมชนทุกอโศกรวมทั้งรัฐนะไม่ต้องนับเลขก็คือฉันคิดว่าฉันเป็นชาวชุมชนอยากจะพูดเรื่องบ้านวัดโรงเรียนพูดเรื่องอะไรในชุมชนก็ได้คือไม่ต้องเอาหน้าที่มาเป็นตัววิเคราะห์มาตัวค้นหาตัวเองว่าแข็งไหมเก่งไหมจุดอ่อนที่ไหนแต่ให้ดูว่าที่อาศัยอยู่ในชุมชนปฏิบัติธรรมร่วมกันมาตั้ง30ปีมีจุดแข็งอะไรมีจุดอ่อนหรือไม่ นะครับก็ไม่ต้องใช้ประเด็นบริการหรือพาณิชย์หรือว่าสื่อแต่ว่าเจ้ากสิกรรมไหมกสิกรรมถ้าอย่างนั้นก็จะแยกออกจากพาณิชย์นะเอาอย่างนั้นกลุ่มที่สี่ก็คือเป็นกลุ่มกสิกรรมใช่ไหมเกษตรเอาว่าเพิ่มกลุ่มสมาชิกเห็นด้วยไหมครับอย่างนั้นกลุ่มที่สี่เปลี่ยนจากชุมชนเป็นกสิกรรมถ้าตกจากทุกคนไม่เลือกก็เลือกเอาเองเพื่อจะให้ไม่มีประเด็นย่อยๆนะ ก็ไปวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในสองบรรยากาศบรรยากาศหลักก็คือว่าประเด็นนี้ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าบอกผมให้ได้ว่าจุดเด่นของอโศคืออะไรผมไม่รู้แต่จุดอ่อนบอกได้ก็ดีแสดงว่าเรามีศีลเรากล้าคนพบ จ, จุดคนพบไปทําไมครับใครเดาได้ใช่เพื่อเพราะเหมือนพี่พิชิตพี่พิชิตคนพบมะเร็งในตัวเองก็ต้องแก้ด้วยตัวเองอันนั้นก็ชั้นใดชันนั้นจะใช้แมกโรใช้ใจก็แล้วแต่ แต่ก็ต้องค้นหาตัวนี้ใช่ไหมครับฉนั้นจุดอ่อนจะทําให้เรารู้จักโลกที่เกิดในอโศกใช่ไหมครับเราจะได้แก้ทันฉะนั้นวันนี้ถ้าทุกท่านใช้ศีลช่วยก็จะค้นพบตัวเองได้ลึกไหมครับลึกนี่คือการเอ็กซเลย์โดยใช้ใจเอ็กซเลย์ใช้ศีลเอ็กซเลย์นะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวตนที่ลึกที่หวังว่าชาวโศกจะใช้กลุ่มบริการกลุ่มพาณิชย์กลุ่มซื่อกลุ่มกสิกรรมและกลุ่มการศึกษา นะครับทุกคนคิดว่าใครมีกลุ่มแล้วใครยังคิดว่าวจะเข้ากลุ่มไหนยกมือครับจะมาเช็กช่วยบอกคนเข้ากลุ่มไหนก็แล้วแต่ท่านแล้วกันไปเข้ากลุ่มไหนก็ได้ใน 5, ในหกลุ่มนี้พร้อมไหมครับคราวนี้ เ, เลอเอขอใครใครจะเป็นกลุ่มหนึ่งยกมือเราจะได้พาไปกลุ่มหนึ่งเอาตรงไหนครับใครเป็ น, ปนใครคิดาการศึกษาครับจะเอาตรงไหนครับเอาพี่พี่ยืนเลยจะได้เดินนําไป เอาการศึกษาลุกไปเลยครับไปเลยการศึกษาใครอยากไปการศึกษาไปใครที่คิดว่าฉันสุขภาพไม่มีครับ <c oughs> เอาอยู่บริการ <c oughs> อ, า อ, อ่าใช่อยู่บริการโทษ <c oughs> เพราะ <c oughs> ห ง, หง่วงกลัวนี่ผมต้องไปนวดเ ม, มื่อกี้ไปจัดกระดูกเจ็บนะหนูหง่วงกลัวเพราะงั้นอยู่ในบริการบริการมีทั้งเครื่องจักรเครื่องมือและคนนะครับอยู่ในบริการ เอาครับกลุ่มสองใครจะเป็นใครจะเป็นแกนบริการเนี่ยก็ทุกอย่างอาหารด้วยกลุ่มสองอาบริการไปเลยครับเชลุกไปเลยครับกลุ่ม3เรื่องพาณิชย์ครับพวกนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปอดไอ้เป็นกระเพาะอาหารครับเชิญเลยครับใครพาณิชย์ลุกไปเลยครับ4ครับ ส, สีคือเรื่องการศึรษาใครใครจะยกมือเป็นประธานกลุ่มมอา่า เอาครับคุณลุงพาไปเลยไปไปยึดที่ให้ห่างกันนะครับโจ์เหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยเดี๋ยวผมจะบอกโจ์นะครับทุกคนไปจัดกลุ่มก่อนครับห้ห้าคือสื่อใครจะเป็นประธานเอาเอาผู้อาวุโสหน่อยครับเอาห้าไปไปเลือกกันเองเอาจะอยู่ตรงไหนจะเชิญ น, นะครับทาเหมือนเมื่อวานเลยนะครับ เลขาแจกฟลิปชาร์ตบัตรคำครับบักกา ช่วยถ่ายแล้วขึ้นจอตั้งวงกันเลยนะครับใครไม่มีกลุ่มบ้างเอ่ยใครองอยากก็เลือกเองนะครับกลุ่มนี้ใหญ่หน่อยวิธีการก็คือใช้บัตรคำเพื่อแสดงสิทธิ์ของตัวเองว่าอะไรใช้สองบัตรคำครับเขียน คนละบัตรคำอะไรเป็นจุดแข็งของี่กลุ่มอะไรครับอาหากลุ่มบริการาฟังคดีนะครับอะไรเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริการที่แข็งมากๆเลยถ้าได้คนละบัตรคาเองห้ามเขียนเกิน1ประเด็นแล้วเขียนแล้วอธิบายเพื่อแล้วก็ติดนะครับทุกคนเลยแล้วต้องจัดให้เหลือ3เพื่อไปอไรายงานเมื่อวานใช่เพราะฉะนั้นอะไรเป็นจุดแข็งอะไรเป็นจุดอ่อนจุดอ่อนที่สุดไม่ทําตายเป็นมะเร็ง นะครับจุดอ่อนที่ต้องแก้ในกติกรรมคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขียนได้คนละสองบัตรคําบวกจุดแข็ง1บัตรคําจุดอ่อนที่อันตราย1บัตรคำคนละสองบัตรคําติดด้านซ้ายด้านแผ่นหนึ่งเป็นครับให้ใช้2อแผ่นก็ได้สอแผ่นนะครับแผ่นหนึงจุดอ่อนแผ่นหนึงจุดแข็งนะครับใช้บัตรคําทุกคนนะครับเพราะฉั้น บัตรคำจะมีหลากหลายมากแล้วก็ต้องจัดกันเองเหลือสามกลุ่มนี้อะไรครับกลุ่มนี้พาณิตอะไรที่ที่อยากบอกผมว่าชาวศกแข็งแรงให้คนบัตรคําท่านั้นครับแล้วก็ทำหมุนเมื่อวานอธิบายให้คนละสองบัตรคําอีกอันคือจุดอ่อนเขียนบุจุดแข็งแข็งที่สุดเลยนะครับเป็นจุดแก่งเป็นที่หนึ่ง อะไรที่เป็นที่หนึ่งของชาวอโศกในเรื่องการสืกรรมเขียนออกมา1ประเด็นคนละหนึ่งประเด็นแล้วก็แล้วอีกอีกอีกบัตรคํานึงก็เขียนว่าอะไรเป็นจุดอ่อนที่อันตรายมากในอโศกเองต้องแก้เปรียบเหมือนมะเร็งนะครับจากนั้นก็มานั่งคุยอธิบายแล้วก็เอาเหลือสโดยใช้การไม่ไม่ลงคะแนนนะครับพูดคุยกันคนต้องเยอะเหลือสเองส า, สาแข็ง3อ่อนจะใช้สองแผ่นก็ได้ครับติดบัตรคํา ถ้ากระดาษไม่พอใช้สองแผน่นแผ่นหนึ่งจุดแข็งแผ่นหนึ่งจุดอ่อนเอาคิดเลยครับทุกคนเขียนบัตรคำตโตๆอะไรเป็นจุดแข็งนี่ของอะไรครับอันนี้อันนี้ของกลุ่มอะไรครับเนี่ยอากาศศกรรมอ้าวนุกกสิกรมก ร, ร, กรมอันนี้กสีกรรมอ่อนบริการกสิกรรมอะไรเป็นจุดที่หนึ่งเลยของประเทศบอกผมหน่อยใช่เขียนมาทุกคนเลยคนละครับคนละหนึ่งประเด็น ก็โห oh, เยอะน่าดูแล้วครับ<น>สองใบ<ส>เขียนจุดแข็งหนึ่งประเด็นเท่านั้นเองห้ามเขียนเกินหนึ่งประเด็นนะใครเขียนเกินหนึ่งประเด็นถือว่าตัดทิ้งไปเลยเป็นกาเสียสิทธิ์ไปเขียนตัวโ ต, โตยอย่างเมื่อวานแล้วอันคือจุดอ่อนที่เป็นมะเร็งร<ส>้ายต้องแก้ในอโศกเองอผมไม่รู้<ส>ใช่วันนี้ทั้งจุดอ่อนจุดแข็งก็คือแผ่นนั้นจุดแผ่นนี้จุดเด่นแผ่นนี้จุดอ่อนไอ้จุดแข็ง ที่หอันนี้เป็นจุดอ่อนที่ต้องแก้เพราะเป็นมะเร็งซ้ําก็จัดกลุญบัตทคําแล้วก็ทํารอบสองก็ให้เหลือสาเองจะต้องตกลงกันให้ได้ว่าเหลือสห้ามรับคะแนนห้ามให้คะแนนเออใช่บนวังเป้เลยแต่ให้ทําบวกกับลบคู่กันเท่านั้นเองนะครับใช้บัตรคําทุกคนนะครับใครอยากคิดอะไรก็เขียนบัตรคําแล้วก็อธิบายเพื่อน ใช้คนละสีก็ได้สีแดงเป็นจุดแข็งสีดาเป็นจุดอ่อน